ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องให้เป็นรับเป็นล้วนเป็นบุญโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส0สพฤศจิกายน2545หณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการที่เรามีจัดลงบุญซึ่งบางคนก็อาจจะจัดไปบ้างแล้วเพราเราไม่ได้จำกัดไว้ว่าจะต้องจัดในวันที่ห้าธันวาเท่านั้นและบางคนก็อาจจะจัดก่อนซึ่งเรื่องของการจัดลงบุญเนี่ยถ้าในรูปแบบของชาวโศกเราก็มีวิธีการล้วก็มีหลักการ ่าในการจัดเหมือนกันเราก็ไม่ใช่แบบว่าไปจัดเหมือนทั่วๆไปธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดแต่เรื่องของการที่มาทำบุญให้ทานไปเฉยๆอาจจะแตกต่างหน้าของเราอาจจะแตกต่างไปแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของโรงบุญก็อยากจะเอาชาดกซักเรื่องหนึง่งนามาให้พวกเราฟังดู เรื่องนี้ก็จะเรื่องของการทำบุญทำทานซึ่งเราฟังดูว่า น, นในยุคโน้นสมัยโน้นเนี่ยผู้เจ้าท่านตัดในเรื่องของการทำบุญทําทานนี้ไว้ยังไงบ้างชื่อเรื่องว่ากุนทกะปูวชาดกเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในพระนครสาวัตถี ได้มีการถวายทานแ ด, ด่ภิกษุสงฆ์เรียกว่าวิถีพัดวิถีนี่ก็คือบาทวิถีเ น, นี่ยนะที่เราได้ยินกันบ่อ ย, อยพัดนี่ก็คืออาหารนั่นเองเพราะฉะนั้ น, น, นในนครสาวพัทีเนี่ยมีการถวายทานแก่พระสงฆ์เรียกว่าวิถีพัดก็คือการถวายพัดตาหารจากผู้ที่อยู่ร่วมถนนเดียวกันหรือว่าร่วมชุมชน หรือว่าร่วมบริเวณเดียวกัน น, ะนะนั่นแหละนก็เรียกว่าวิถีพัดครั้งนั้นชาวบ้านต่างก็ชวนเชิญกันว่าเชิญท่านทั้งหลายถวายข้าวยาคนะูข้าวยาคูก็คือข้าวต้มถ้าแปล ง, ง่ายๆแต่เป็นข้าวต้มที่เหลวแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้เลยนะไม่ต้องเคี้ยวก็ได้เขาเรียกว่าข้าวยาคูซึ่งมีประโยชน์มาก พู้เจ้าเนี่ยตัดถึงข้าวยาคู ว, ว่ามีคุณประโยชน์นะเป็นข้อๆไว้หลายข้อทีเดียวอันนี้นเน่เชิญท่านทั้งหลายถวายข้าวยาคูหรือของขบเคี้ยวอื่นๆแด่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นประธานด้วยกันเถิดก็มีการประกาศเนี่ยมีการกล่าวร้องกันแล้วบอกให้รู้ว่าจะมีการทำวิถีพัดเกิดขึ้น ณวันนั้นณวันนี้พวกเราก็มาร่วมกลุ่มกันมาช่วยกันก็เหมือนเราประกาศไปว่าเนี่ยห้าธันวานะเราก็จะมีการที่จัดลงบุญนะเป็นการบอกบุญให้รับทราบบนถนนสายนั่นเองมีลูกจ้างผู้ยากไร้เข็นใจผู้หนึ่งพำนักอยู่เขาได้ยินประกาศแล้วก็คิดว่าเรายากจนก็ทั่งไม่อาจจะหาข้าวยาคูถวายได้ แต่ของขบเคี้ยวเล็กน้อยยังพอจัดหาได้นี่เป็นคนจนมากเลยแม้แต่พูดง่ายแม้แต่ข้าวต้มยังไม่มีปัญญาเลยที่จะเอามาทำบุญทำทานอะไรนั่นก็เลยแบบว่าเอาละถ้างั้นจะมีของอะไรบ้างที่พอจะเป็นไปได้เพราะเรื่องของจิตศรัทธาเนี่ยนะไม่เกี่ยงหรอกนะว่า จะต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากถึงจะทำบุญได้ทำบุญได้เยอะๆอะไรอย่างนี้แม้บางทีเป็นคนยากจนนะมีอะไรแค่ได้เล็กน้อยก็สามารถทำบุญได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเหมือนกับอะไรอะ่ะบางทีบางคนเ น, น่เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเงินทองอะไรนักเนี่ยเหมือนกับคนจนคนเนี้ยนะแต่เขามีจิตศรัทธาอยู่เห็นไหม จริงๆแล้วบางทีมันมันพอมีอยู่อ่ะถ้าไม่ถึงกับว่าเป็นคนจนชนิดไม่มีอะไรจะกินเลยไม่มีอะไรจะใช้เลยเออถ้าอย่างนั้นก็ไปอีกอย่างแต่อย่างน้อยนียน่จนนี่ก็คงน่านยังไงก็คงจะพอที่จะหาอะไรมาทำบุญทาทานได้บ้างแล้วก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยนะด้วยจิตปรารถนาทำบุญกุศลอย่างแรงกล้า เขาจึงแสวงหารำข้าวชนิดละเอียดมาได้แล้วนำมานวดให้ชุ่มด้วยน้ำคอด้วยใบรักนำไปเผาในกองเท่าทานพอทำเสร็จนะก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าอธิษฐานนี่ก็คือตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนี่ที่นี่เราจะบอกอยู่เรื่อยๆว่าไม่ได้แปลว่าขอนะอธิษฐานคือการตั้งจิตว่าเราจะทำให้นั่นจะทำให้นี่ ตั้งจิตเพื่อปฏิบัติให้ถึงสิ่งสิ่งนั้นๆที่เราตั้งไว้ตั้งจิตไม่ใช่ขอเอาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้มานะอันนั้นเป็นเรื่องของคนขี้ขออันนั้นไม่ใช่อธิษฐานอธิษฐานนี่เป็นบา ร, รมีหนึ่งเลยเพราะนั้นบา ร, รมีเนี่ยเป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของกุศลเพราะฉะการที่เราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเอาใจเราเนี่ยากาหนดเอาไว้ว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอันนี้ตั้งจิตไว้ว่าเราจะถวายขนมลำลำเผานี้แด่พระพุทธองค์นะก็ตั้งใจไปแล้วเพราะว่าเขาประกาศแล้วเนี่ว่าเขาจะทำบุญมีปิกษุท่านมาฉันอาหารใช่ไหมแล้วก็มีผู้เจ้าเป็นประธานจากนั้นก็จัดเตรียมขนมําเผานั้นถือไปยืนรออยู่ ที่ในสำนักของพระพุทธองค์ก่อนใครในวันนั้นคือพอวันนั้นมาถึงเนี่ยนะโดยจิตที่มีแรงศรัทธาแล้วใจที่อยากจะทำบุญทำกุศลมากแล้วตัวเองก็เป็นคนยากจนด้วยนะเพราะนั้นวันนั้นก็ไปก่อนใครเขาเลยคนอื่นก็ยังไม่มาเลยครั้นถึงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงฉันพัตหารได้ตรัสขึ้นครั้งเดียวว่า พวกท่านจนนำอของขบเคี้ยวมาเถิดลูกจ้างผู้ยากจนคนนั้นก็รีบเข้าไปถวายพัดก่อนคนทั้งปวงมก็มาผู้งง่ายว่ามาจองที่ไว้ก่อนแล้วเพราะว่ามาอยู่แถวไว้ก่อนแล้วพอผู้เจ้าบอกว่ามาถวายได้ก็มาก่อนใครเขาเลยก็ใส่ขนมรำเผาทั้งหมดลงในบ่ายของพระพุทธองค์แล้วไปนั่งอยู่ในที่อันสมควร เมื่อทุกคนถวายพัสเสร็จแล้วพระพุทธองค์กับเหล่าภิกษุสงฆ์ต่างก็ฉันพัฒหานั้นแต่ปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงฉันแต่ของขบเคี้ยวคือขนมลำเผาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คงจะเป็นเจตนานะของพระพุทธเจ้านะที่วันนั้นน่ะท่านก็ฉันแต่ขนมลำปิ่งลำเผาลำย่างอะไรเนี่ย เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยไม่ได้ฉันอย่างอื่นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็คาดคิดไม่ถึงแต่ว่าคนเข้ามาถวายนี่ท่านก็รับหมดทุกอย่าง น, นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยชันเฉพาะขนมลำเผานี่เพียงอย่างเดียวนะท่านคงมีเจตนาอะไรสักอย่างด้วยเหตุการณ์นั้นเองจึงมีเสียงร่ำลือไปทั่วพระนครว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยินดีพอใจไม่ทรงรังเกียจของขบเคี้ยวที่ทำจากลำข้าวด้วยมือของชายยากจนเข็นใจทรงฉันขนมลำเผานั้นเสมือนดันฉันอาหารอมฤตเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นเจตนานะที่พระเจ้าเนี่ยท่านฉันเพียงอย่างเดียวก็เพื่อที่จะเนี่ยนะคนที่ได้เห็นอยู่หรือว่าอยู่ในที่นั้นนี่แหละ ก็คงจะทึ่งแล้วก็คงจะแปลกใจแล้วก็คงจะต้องไปพูดกันซึ่งมันก็ข่าวนี้ก็จะกระจายไปอย่างเงี้ยแล้วคนก็ล่ำลือกันใหญ่แล้วให้เห็นเลยว่าเริ่มพูดยังไงเริ่มพูดว่าผู mm. ้ย่อเจ้านี่ไม่ยังเกียดเลยนะลำ่ำล่ำข้าวเนี่ยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าไปเลี้ยงหมูเลี้ยงปเป็ดเลี้ยงไก่ใช่ไหมที่ในหลวงท่านตรัว่าอะไรอ่ะ เราเนี่ยคนจนอะไรนะที่กินข้าวกล้องเนี่ยแล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าใครเนี่ยไปกินลํำถึงแม้ในโต๊ะกับข้าวมีลําข้าวด้วยอะไรด้วยไม่ไมไมแน่ดอกอาจจะมีคนดูหมินน่นนะบอกโอ้กินข้าวหมูเหรอหรือว่ากินอะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วนะเพราะท่านเนี่ยเป็นเจตนาและที่ท่านเนี่ยจะพูดง่ายว่าโฆษณาละโฆษณาถึงลําข้าวว่าโอ้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ แม้คนอื่นเขาอาจจะดูหมิ่นเขาอาจจะรังเกียจว่ารำข้าวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้เจ้ากับยินดีกับพอใจไม่มีความรังเกียจนะทั้งหนึ่งจากประเภทของอาหารนะเท่ากับว่าให้เห็นว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าสองก็คือให้เห็นว่าแม้เป็นคนจนมาถวายนะไม่ต้องเป็นของอันปันนีชนิดที่เขาหลงกันน่คว่าปัณีเนี่ย ที่เขาหลงกันเขาหลงกันว่าโอ้โหต้องเป็นของราคาแพงโอ้โหเป็นของที่หายากอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่จำเป็นบางทีเป็นของที่หาง่ายเนี่ยแหละอาจจะมีเยอะอาจจะมีดาดื่นก็ได้แต่เป็นของดีของมีคุณค่าของมีประโยชน์นั้นก็สามารถที่จะแบบว่านะแม้เป็นคนยากคนจนไม่ค่อยมีทรัพย์สินเงินทองอะไรนันก็สามารถที่จะเอาถวายได้แล้วท่านก็รับด้วยจิตใจที่ นะที่ยินดีด้วยเสร็จแล้วเวลาฉันนี่ก็ฉันแบบไหนโอ้โหฉันขนมรำนี้ยังกับอมริตนี่หมายถึงว่านะอาหารที่เป็นอมริตคือเป็นอาหารที่วิเศษอาหารที่ยอดเยี่ยมนะใช้คำว่าอมาริตนะหรืออาหารที่พูดง่ายอมริตนี่คือไม่ตายนะอาหารที่ยังไงอะเรียกเรียกไม่ตายเนี่ยอาหารทิพอาหารอะไรพวกนี้ อันนี้ข่าวเนี่ยก็กระจายไปคนก็พูดกันใหญ่แม้แต่พระราชาและมหาอัมมัดตลอดไปจนถึงคนเฝ้าประตูพระนครร่วนอัศจรรย์ใจในผลบุญของชายผู้ยากไร้คนนั้นจึงแวะเวียนไปหาเขาด้วยเจตนาว่าพ่อมหาจำเริญเชิญท่านรับเอาทรัพย์ร้อยหนึ่งบ้างสองร้อยบ้างห้าร้อยบ้างแล้วให้ส่วนบุญแก่พวกเราด้วยเถิดคือคนอื่นๆนี่ก็ โอ้โห oh oh, แปดประสาดใจอัศจรรย์ใจมากๆว่าทําไมผู้เจ้าฉันให้กับผู้ง่ายว่าถ้าเดี๋ยวนี้น่าจะบอกว่าคนจนคนนี้กับเกือบๆจะเหมือนกับขอทานนะฮะแต่ไม่ถึงกอทานแต่ว่าให้เห็นว่าจนเสร็จแล้วตอนนี้ก็ฉันให้แต่อย่างเงี้ยโอ้โ oh ห oh, จะต้องมีบุญมากเลยเนี่ยคนนี้จะต้องได้บุญมากผู้ง่ายว่าคนอื่นเลยจะมาขอขอแบ่งบุญมั่งจะมาขอแบ่งบุญขอแบ่งบุญยังไง ขอโดยที่เรียกว่าอัน น, นี้แบบว่าฉันจะให้ทรัพย์คุณไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ยหนึ่งร้อยบ้างสองร้อยบ้างห้าร้อยบ้างนะจะเป็นทองหรือว่าจะเป็นเงินก็แล้วแต่นี่ๆี่วิธีแบ่งบุญฟังดูให้ดีนะโอ้วิธีแบ่งบุญคืออย่างนี้เพรา ะ, ะชายผู้ยากไร้คนเนี้นะเอาอาหารไปถวายพุทธเจ้าใช่ไม้มเราถือว่าเป็นผู้ให้ ให้ผู้เจ้าพู้ผู้ผเจ้าเป็นผู้รับเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถือว่าได้บุญมาแล้วอ่าตอนนี้คนอื่นบอกโอ้โหคนนี้ได้บุญมากจะมาขอแบ่งบุญจากชายยากไร่คนนี้ก็เลยจะมาเอาข้าวของเนี่ยมาให้ชายยากไร่คนนี้เพื่อให้ชายยากไร่คนนี้เป็นผู้รับบ้างถูกไหมแล้วตัวเองจะได้เป็นผู้ให้กับกับชายยากจนคนนี้เพราะว่าคิดอยู่ว่า ผู้ให้เนี่ยถึงจะได้บุญใช่มคิดคิดในส่วนนี้อ่นานลงก็เลยมามาจะมาให้เงินทองข้าวของกับคนจนคนนี้แต่เขาเองไม่รู้ว่าจะให้ส่วนบุญคือจะแบ่งส่วนบุญเนี่ยเช่นใดดีจึงตอบว่าก็ผมขอไปกราบทูลถามกับพระพุทธองค์ก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าจะให้ส่วนบุญแก่ท่านได้อย่างไรนะถ้าใน บุญกิยาวัตถุ10บนะการแบ่งบุญนี่ เ, าเราใช้คำว่าปฏิทานาน้ำใม่นะคือการแบ่งบุญให้กับผู้อื่นอันนี้เราเรียกว่าปฏิทานนมัยอนนี้ชายยากไร่คนนี้ปรากฏว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยคนเขาจะมาให้ทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะถ้าเป็นคนขี้โลภ แ ล, แ, ลแล้วเชื่อว่าบุญเนี่ยะจะได้เฉพาะผู้ให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเอา้าถ้าพูดง่ายว่าเขามาซื้อบุญเราไปอะนะเอาเงินมาให้เราใช่ไหมสมมุติว่าเราเป็นคนมีบุญมาซื้อบุญจากเราไปเอ้เราไปทําบุญกับผู้เจ้าตามเรื่องเลยนะคนจนน่าคิดอะเอ้เราไปทําบุญกับผู้เจ้าเรือ่องงี้มาซื้อเทียร้อย200 300นะเดี๋ยวเอาบุญจากเราไปหมดอะถ้าอย่างนั้นใช่ไหม ถ, ถ้าขายให้ก็คือรับเงินเข้ามา อ, อย่างนี้เดี๋ยวบุญหมดแน่ๆเลยราะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงลางคิดคิดไปคิดมาก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าวันนั้นจึงรีบเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อมีผู้ให้ท่านก็จงรับทรัพย์จากเขาเถิดนี้แหละเป็นการให้ส่วนบุญแก่สรรพสัตว์ คราวนี้ผู้เจ้าเป็นผู้แนะเองเป็นผู้บอกเองแล้วนะวันนี้ถ้าเราจะมีมันเป็นบุญนะผู้รับนี่ก็เป็นบุญไม่ใช่เฉพาะผู้ให้ซึ่งเราบางทีบางคนเนี่ยเข้าใจอยู่แต่ว่าผู้ให้เท่านั้นที่ได้บุญผู้รับนี่ก็เหมือนกับเอางี้ก็เป็นนี่บุญคุณเขาสิเข้าใจเพียงมุมเดียวแต่อีกมุมเนี่ยมันมีว่าผู้รับเนี่แหละก็เป็นผู้ทําบุญซึ่งเราเรียกว่าเนี่ย ปฏิทานนมัยนะเป็นผู้รับเนี่ยก็คือแบ่งให้คนอื่นเขาได้บุญบ้างโดยชนิดที่เรียกว่าหัดรับซะบ้างเราไม่ได้มีจิตขี่โลภอะไรต่ออะไรนี่นั้นะเนี่ยทายขอทานคนนี้ก็ไม่ได้มีไปจิตขี้โลภอะไรอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรนะถ้าบุญเราก็อยากได้มากกว่าอยากได้มากกว่าทรัพย์สินเงินทองซะอีกนะแต่ตอนนี้ให้เห็นเลยนะพระเจ้ากับสอนว่าอ่าในเมื่อเนี่ย เราก็ผู้ให้เราก็เป็นผู้ที่ได้บุญกุศลไว้แล้วนะส่วนตอนนี้ในโลกเนี่ยมันไม่มีแต่ผู้ให้เพียงอย่างเดียวหรอกมันต้องมีผู้รับด้วยบุญนั่นถึงจะสำเร็จได้หรือจะเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างบางทีเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยก็มีพ่อแม่นะพ่อแม่ก็เป็นผู้ให้เรามานะให้ชีวิตเรามานะให้อาหารการกินอบรมเลี้ยงดูจนกระทั่งเติบโต ก็ให้มาตลอดอะ่ะนั้นก็เป็นผู้ให้มาเรื่อยแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นเราแข็งแรงขึ้นเรามีความสามารถขึ้นนะคราวนี้จากการที่เราเป็นผู้รับมาเรื่อยผู้รับมาเรื่อยเราก็รู้จักตอบแทนบุญคุณก็คือเราก็เริ่มจะยุเอนผู้ให้บ้างคราวนี้พ่อแม่ก็จะเริ่มเป็นผู้รับคืนจากเรานะก็เป็นผู้รับซึ่งอย่างแี้ก็จะเป็นการแบ่งบุญละเริ่มรู้จักแบ่งบุญที่ว่าเออ ก็ให้คนอื่นเขาได้ทำบุญทำกุศลบ้างนะเราก็จะได้แบบว่าเฉลี่ยก็เรียกว่าเฉลี่ยบุญเงินไปไม่ใช่เราคิดแต่จะเอาเป็นผู้ให้ผู้ให้ไม่รู้ละใครยังไงก็ใช่ฉันจะให้อย่างเดียวฉันไม่ไม่ยอมเป็นผู้รับเด็ดขาดซึ่งความรู้สึกเนี้ยแม้แต่อาตมาเองสมัยก่อนเป็นคารวาตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันขนาดมาที่มาใหม่ๆนะมาที่สันติอโศกเนี่ย มาแล้วแทบจะไม่ยอมกินอาหารที่นี่เลยนะแต่มาเนี่ยคือมาช่วยงานมาทำงานแรงต่างแต่ว่าเนี่ยที่วัดเขาก็มีอาหารให้ทานหรือบางทีแม้แต่ว่าเขามีที่ให้พักที่ให้นอนก็ไม่ยอมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราคิดแต่ว่าเราจะมาเสียสละเราจะมาทำบุญโดยเราเป็นผู้ให้เราก็ไม่อยากติดหนี้กลัวว่าติดหนี้ เดี๋ยวมากินของที่นี่หรือว่ามาใช้อะไรที่นี่มานอนที่นี่เอ๊ะเดี๋ยวเราเป็นหนี้เราไม่เอาเราไม่อยากเป็นลูกหนี้เราอยากจะเป็นแต่เจ้าหนี้นะหนี่บุญคุณเพียงอย่างเดียวเพราะนั้นพอแต่ก่อนนะคิดอย่างนี้แล้วก็เลยมานี่มาช่วยอย่างเดียวช่วยเสร็จกลับมาช่วยอย่างเดียวช่วยเสร็จกลับจะอย่างนี้จะไม่มีการเฉลี่ยบุญหรือจะไม่มีการที่เรียกว่าให้คนอื่นเขาทำบุญด้วยแล้วก็จะไม่มีการประสานสัมพันธ์ มันไม่ไม่เป็นเรื่องของการเป็นอยู่ร่วมกันถึงบอกว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยก็เป็นความเป็นอยู่ร่วมกันที่บางทีพ่อแม่ก็ทำให้ลูกบางทีลูกก็ทำให้พ่อแม่นะอันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะคิดแต่เป็นผู้ให้เป็นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นผู้รับด้วยแล้วเมื่อเป็นผู้รับก็ต้องรู้ว่าผู้รับอย่างนี้แหละนะอย่างที่เข้าใจอย่างรู้กุศลนี่แหละ จะเป็นผู้รับที่ได้บุญกุศลด้วยเพราะถ้าเราไม่รับเขาจะให้แต่เราไม่รับมันก็ไม่เกิดบุญตัวนี้ขึ้นมาอันนี้สมมุติว่าเราเราเปิดลงบุญหรือว่าเราจะแจกนะข้าวของอาหารการกินหรือสิ่งของอะไรต่างๆก็ตามแต่ไม่มีผู้มารับเลยแล้วบุญนั้นมันจะเกิดได้ไงมันก็ไม่เกิดนะเพราะนั้นถ้าเรายิ่งรับด้ว ย, ด, วยด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในเรื่องของธรรมะ ในเรื่องของกุศลแล้วนะก็จะเราเนี่แหละจะเป็นผู้ได้บุญในส่วนของผู้รับที่รับเป็นด้วยนะเพราะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยท่านก็ก็ตรัสให้กับคนยากจนคนเนี้ว่าอ่าถ้าเขามาให้นี่ก็กกรับเขาสินะเป็นการที่เราได้แบ่งส่วนบุญให้คนอื่นเขาด้วยหรือว่าได้ให้ส่วนบุญคือให้คนอื่นเขาได้บุญบ้างไม่ใช่เราจะเอาแต่บุญของเรา จริงๆเนี่ยคำว่าแบ่งบุญนี่ไม่ใช่เขามาแบ่งบุญที่เรามีเอาออกไปไม่ใช่ใครทำบุญอะไรไว้เท่าไหร่สมมุติสมมุตินะพูดเป็นอัตราส่วนว่าเราทำบุญไว้ไว้ไปด้8บแปหน่วยสมมุติเราทำบุญไว้ได้80ิหน่วยเอเดี๋ยวถ้าคนอื่นเนี่ยมาให้ของเราหรือว่ามาทำบุญกับเราแล้วเรารับของมาไอเดียบุญที่เรามีอยู่80ดหน่วยนี่เดี๋ยวมันก็ลดลงลดลงลดลง ไม่เลยแล้วไม่ได้ลดลงเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิดของของคนคนนั้นเองเพราะยิ่งเรารู้อย่างที่บอกยิ่งเรารู้เนี่ยบุญที่เราทําไปนี่เราได้อยู่แล้วไม่มีใครมาแบ่งออกไปได้เลยแปดสิบหน่วยนี้เราได้เต็มๆอย่างของเราเลยแล้วบางคนเนี่ยฟังคำว่าแบ่งบุญแบ่งบุญเนี่ยยังยังไปเข้าใจผิดอย่างนี้อีก แล้วแบ่งบุญนี่หมายถึงว่าแบ่งให้คนอื่นเขาได้บุญด้วยอย่างเช่นบางทีเนี่ยเอาสมมติเราจะเปิดลงบุญจริงๆเราทำคนเดียวเลยก็ได้เราออกทุนลอง เ, เราออกทุนรองแสนหนึ่งเราทำบุญอันนี้แต่เราแบ่งบุญก็คือเอเราไม่ไม่เอาแต่เราคนเดียวะนะเอาคนอื่นมาร่วมด้วยหรือว่ามาทำด้วยเอออ่ะอ่เอาด้วยให้เขาได้บุญได้กุศลด้วยคือเฉลี่ยให้คนอื่นเนี่ยเขาได้ด้วย เราอย่าไปขี้โลภจนกระทั่งเราไม่ไม่รู้ว่าฉันไม่ยอมเลยใครจะมาทําด้วยอะไรด้วยฉันไม่ให้ฉันจะทําของฉันคนเดียวอันนี้มันมีกิเลสตัวขี้โลภเข้าไปอีกนะเพราะฉนั้นบุญมันจะมันจะลดลงเพราะตรงนี้แหละบุญของตัวเองจะลดลงเพราะไอ้ความขี้โลภเกินไปของตัวเองซึ่งเป็นกิเลสมันจะทําให้บุญเนี่ยซึ่งคําว่าปุญญะนะคำว่าบุญนี่แปลว่าเครื่องชําระจิตหรือว่าใจเนี่ยให้บริสุทธิ์ ให้สะอาดเนี่ยคำว่าปุญญะนะหรือว่าปุญญังมาจากภาษาบาลีอันนี้วันถ้าเราเข้าใจนี้ได้เราถึงจะรู้ว่าอ๋อบุญนี่คือเครื่องชำระใจของเราเนี่ยนะให้กิเลสเนี่ยมันลดลงให้ใจเราเนี่ยสะอาดขึ้นนันคนที่ยังแบ่งบุญให้คนอื่นไม่เป็นเนี่ยนั่นแหละคุณยังไม่ได้บุญมากหรอกคุณยังบุญน้อยว่าบุญบุญ ทำบุญเข้าใจเรื่องบุญได้ถูกต้องแล้วมันจะแบ่งบุญให้คนอื่นได้ด้วยวเพราะจิตใจเนี่ยมันมีความเอือเ้อเฟืนะ้ออยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นเขาเราเองเราอยากจะทำดีเราได้บุญกุศลมีคนอื่นทำดีทำบุญกุศลเพิ่มไม่ดีเหรอก็ยิ่งดีเพราะนั้นมันตรงข้ามเลยคราวนี้เราไม่ใช่ได้บุญแต่ในส่วนที่เป็นผู้ให้เท่านั้นแต่เรายังจะได้บุญในส่วนที่เป็นผู้รับเนี่ยผู้รับหรือว่าเป็น ปฏิทานามัยคือรู้จักเฉลีย่ยรู้จักแบ่งแบ่งบุญให้คนอื่นเนี่ยได้ได้ร่วมบุญได้ร่วมกุศลได้ได้มีบุญเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะเราเนี่ยแหละกลับจะยิ่งสมบูรณ์ขึ้นกลับจะยิ่งยิ่งมีบุญโดยทั้งสองส่วนไม่ใช่มีบุญแต่ส่วนเดียวรู้จักจะให้จะให้จะให้ใหใหแต่รับไม่เป็น